วัน ท, ที่ก็ได้นะฮะตีตคขึ้นทางนะเลยอีกอ่นตีวันนะแต่อยวไปคิดถึงอนาคตมากนะอยู่ปัจจิบันนะถ้าเราเราทำปัจจุบันให้ดี inal, <corn. S 2> ที่สุดนะ ไม่มีอดีตไม่มีนามนนะ้นของจริงจริงอยู่นะที่ปัจจุบันนี่แหละนะสำคัญที่สุดเลยนะมีเรื่องสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้ามนะีมีใชายคนหนึ่งเขาเป็นค้าขายแล้วก็เลือที่ค้าขายโดนพา ย, ยุนะ เสียหายหมเลยนะคนที่ไปกับเขาสินคาที no ่เอาไปขายด้วยก็จมทั้งในหมดเขาก็ตายคนเดียวใครๆเ้ามาหาไม่น้องเลยนะแต่ก็แต่เขาก็รีว่าไม่ได้ว่ายน้ำแบบรู้สึกตัวนะมันโดนโดนอะดนกระแสน้ำพัดมาติดที่ที่ชายหาดนะเขาก็หมดสตินยแต่ก็โชคดีที่ ไม่เปี่ยชีวิตชาวบ้านมาเห็นเขาก็นึกว่าเขาเป็นพระนา้นเพราะว่าพอจมนานะเสื้อผ้าอะไรก็ ห, หนุ่ยหนุเลยเรียกว่าสมัยก่อนบางคนก็นับถือในรัฐที่แบเป็นคล้ายขี้เปื่อยที่คิดว่าพวกที่จะะทุกอย่างไม่ยึดติดไม่มีในปกติดร่างกายเลย คือพวกที่ปล่อยวางทีจนะิตเนี่ยพวกปล่อยวางแบบนี้แหละนะคือพระละหันคนก็มากราบไหว้บูชานะเอาอาหารมาให้นะกราบไหว้เขาก็ว่าก็ากตสงยอมนดีเหมือนกันเป็นพระละหันมีคนกราบไหว้เนยะมีอาหารมาให้นะไหนๆก็ไปพักผ่านไม่นกะันเลยก็ บางทีคนไม่รู้เขาก็ดูที่ภายนอกนะดูที่การเสรจดูที่การไม่แต่งกายภายนอกนะหรือว่าเป็นพระทหารก็ <c oughs> แต่พอวันหนึ่งนะเขาได้ยินว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นบนโลกนี้น <c oughs> เขาพอได้ยินมาว่าพุทธเจ้านะเกิดความสั่นไหวใน จ, จิตใจมากประมาณว่าอยู่ไม่ได้แล้วเป็นพระทหารกันมารอไม่ได้แล้วอ ต้องไปหาพระพุทธเจ้าเอออยากเป็นพระอรหันตจริงๆเขาไปได้ยินเพราว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ะที่เจตวั น, นเอหมืองสาวกทีที่วิ่งไปนะจากชายทเลเป็นสาวกถีนี้นัน่นเสียใจมากเพราะว่าอสาวกถีมัอยู่ตอนค่อนข้างเไปทางเหนือใกล้ทะเลปาเ์มไกลมากคงได้ต้องวิ่งไปหลายวันเพื่อ ไปหาพระพุทธเจ้าครัวกไ็ได้เองแต่แต่ไม่ใช่เจงพระพุทธเจ้าวิ่งไปวิ่งไปจะไปถึงพระพุทธเจ้าคง <นะ S 1> หลายวันมากหือหลายเดือนมากใจคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าพอไปถึงพระเจ้าท่านดีนบายอยู่ก <นะ S 2> ็กราบพระพุทธเจ้าขอขอให้พระเจ้าแสดงธรรมนิด ห, หน่อยประมาณะพเจ้าก็บอก เวลานี้เราบีนบาลเยอะยังไม่ใช่การแสดงคำขั้นแรกนะขั้นที่สองไปก็ทุตเจ้กากำลังชันเขาก็เส็นด้วยกำลังเจนชันก็ขอให้แสดงคำพระเจ้าบอกแต่เวลานี้เป็นเวลาที่เราเจนชันเยอะยังไม่ใช่เวลาที่จะแสดงคำพอท่านฉันเสร็จแล้วกนะ็ เขาก็พอเองเนี่ยเดี๋ยวเวลานี้เธอต้องทันอาหารต่อในต่อก่อนเธอใ้เธอทกินก่อนนะเดี๋วเราจะี๋ยแสดงทำ <S <S เป็นการที่ที่เจ้าท่านท่านมียางรู้วารกิดของเขาคือครั้งแรกเลยใจมันอยากได้รู้ธรรมนมากเกินไปมัน แต่ตือล้นเกินไปก็ไม่ใช่จิตที่เหมาะในการที่จะลองรับสรรมครั้งที่สองก็เบาลงมาบ้าง น, นะก็แต่ก็ยังมีความร้อนที่อยากจะรู้ธรรมะอยู่แม้ครั้งที่สามเองกินแต่ค่อนครขึ้นแต่ตายเขาที่เหนื่อยล้านะจากการวิ่งมาไกลนะคงได้พักผ่อนเไว้ร่างกายหิวเลยนะพระเจ้าก็ให้ทานข้าวก่อน คือก่อนที่ะะ ท, ท่านจะแสดงธรรมท่านให้เขาเตรียมเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมก่อ น, น, านากายก็ต้องไม่หิวเกินไปมันจะได้ไม่ทรมารไม่กระวนกระวายจิตใจเองก็หิวธรรมะ ม, มากเกินไปมันก็กระวกนกระวายนะไม่สงบอยากจะรู้เกินไปท่านก็เนี่ยให้ท่านก็เกยเว่ีด รีบตางเขาให้เขาพักออกมาก่อนสักหน่อยให้ใจเขาเป็นให้ใจเขาสงบสั่งอนุญาตหนึ่งให้ใจเขาเป็นกลางนี่ก็สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะเราเองก็ต้องให้ายใจที่มันสงบนะไม่ใช่ว่าสงบแบบไ ม, มีความคิดแต่ถือว่ามันไม่ได้นิ่งได้ความอยาดหรือไม่ได้ทรมานร่างกายมากไปอดเต็นท่าน จิตใจมันกระั่กระต่ะายขมวดขวายอย่างเี้ยนะถ้าร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมพอพระเจ้าเห็นน่านกายพร้อมจิตใจพร้อมแล้วเขากาัจอนะองแสดงธรรมเนะียที่ท่านที่สุดเนะีก็ไม่เรียกว่าท่านเพีย่กี่ประโยคนะแต่จริงๆ ว, ว่้วท่าที่เขารู้ทำเป็นท่านอันเรียวที่สุดในโลกเนะนะนะีท่านก็ตัดว่าอะไร ท, าทา่านะ เมื่อไห่น้อที่เธเห็นก็สัตย์ใจว่าเห็นได้ยินก็สัตย์ใจว่าได้ยินได้กลิ่นก็สัตย์ใจว่าได้กลิ่ น, ด, นดินรสก็สัตย์ใจว่ารับรู้รสการสัมผัสก็สัตย์ใจว่ารู้สึกหิจใจคิดนึกก็สัตย์ใจว่ากำลัคิดถ้าเธอสัตย์ใจว่า ในการเช่นี้นะก็เป็นไม่มีเธน อ, อยู่ในโลกนี้แล้วก็ลงหน้าเขาได้ยินแค่นั้นนะจิตใจเขาเห็นตามสที่พระเจ้าสอนนะบรรุเป็นพระราษฎแต่เราได้ยินไดในปากเยอะนั้นะแต่อาจจะยังไม่เป็นทําไมแต่จริงสที่พระเจ้าสอนเ น, นี่ยมันตรงจริงๆนะตรงที่ ส, สุดก็ว่าคำว่าตัดไปว่า คือท่านให้กําหนดรู้ในสัจจะว่าในขันษาของเราเองเช่นตาเห็นรูปสัจจะว่าเห็นไม่ได้ให้กำหนดรู้ว่ารูปวันั้นคือรูปอะไรไม่ใช่ท่านไมบอกว่าเอตาเห็นรูปให้เห็นว่าเป็นต้นไม้ใี่เห็นว่าเป็นคนให้เห็น ว, ว่าเป็นสัตว์ท่านให้สัจจะว่าให้กําหนดรู้ว่าตามันเห็นเน่ยมันจบแค่ตรงนี้นะจบแค่การเห็น ไม่ได้เป็นให้มีราคาหรือว่าไม่ให้เป็นกําหนดรู้ที่ภายในนอก้วหินอะไรอมไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ผููดได้ยินเสียงนะเพียงแค่กำหนดรู้ว่ามันได้ยินนะไม่ได้เป็นไม่ไม่ต้องไปแยกแยะว่าเสียงเสียงนั้นเขาพูดว่าอะไรนะมันมีความหมายอย่างไรนะเสียงรงหรือเสียงดา ตัดใจว่าไม่แต่กายเองก็เหมือนกันตัดใจว่ารู้สึกมีอะไรกระทบสัมผัสก็ตัดใจว่ารู้สึกใจเองก็เหมือนกันเมื่อใดที่ใจเธอคิดเมื่อใจมันคิดก็ตัดใจว่ารู้ว่าใจคิดไม่ได้ไปรู้ว่าคิดเรื่องอะไรต่างกันนะตัดใ่ว่ารู้ว่าใจมันคิดไม่ได้สํสำคัญนั่นไหม วามันคิดเรื่องอะไรนี่คืต่างกันคําว่าสัดแต่ว่ารู้เนี่ยในอายตนะตะโปกเนี่ยท่านให้เขียนเพียงแค่รู้ว่ากายหรือใจมันทําตอนนี้มันทํางานอะไรอยูย่ไม่ได้เป็นสำคัญมั่นหมายถึงติที่มันมีเอสิภายนอกที่มันกระทบไม่ได้เป็นสำคัญที่เอรูปเสียงกลิ่ น, นรสโสดสัตว์อารมณ์ แต่ท่านให้สำคัญมั่นหมายที่อายนไคอยตนะาคอยในเราที่มันเกิดอะไรขึ้นมันกระทบนะถากระทบรูนะก็แค่รู้ว่าเห็นเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะเวลาเราปฏิบัติธรรมนะเนาคว่าสัตวใจว่านี่คือมันการรู้เฉยๆนะเอรู้เฉยๆรู้ซื้อๆไม่ได้ไปสำคัญนา่นหมายในจีตที่ถูกรู้นะ สิ่งที่ถูกรู้อ่ะสิ่แค่รู้ว่ามันรู้เนะียตาเห็นรู้แล้วหูได้ยินรู้แล้วเป็นหูได้ยินรู้แล้วลิ้นได้รดก็รู้แล้วตายสัมผัสก็รู้แล้วใจคิดนึกก็รู้แล้วรู้จบแค่ตรนนี้น่ะไม่ต้องไปรู้ไกลมากนะแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อย อันไม่ค่รู้จบแค่ว่าสัดแต่ว่ารู้อะไรแหละแสดงนั้นโด่งไปก่อนนะส่งไปก่อนในตัปุงแต่งเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือใครอันนั้นคือคนนะอันนั้นคือวัตถุติดของต่างๆอันนี้กิน่นนะแบบไหนก็ชาติอย่างไรนะจิตใจคิดเรื่องอะไรอุดลสุสุลนะที่ก็องปุงไปรู้เรื่องราวอันนั้นเพราะว่าเรา เราพาดในการรู้ตัวแรกรู้การสั่รู้ปสัทธที่กระทบกันมันก็เลยไรู้เฉยไม่ได้ตัดใจว่ารู้มันไปนรู้เรื่องข้างนอกแล้วนะอันนี้เป็นธรรมชาติของคนที่นะมันมากจะไหลไปข้างนอกเร็วมากเราขณะที่เราฝึกตนใหญ่นะมันก็งนีะ้มันไม่ทันรู้สักนไปว่ารู้มันไปรู้ข้างนอกก่อนนะ การที่เรารู้ว่าเราหลงไปนั่นแหละมันจะทําให้เรากลับมาจากนการตุ้แต่งไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงก ล, บบลงิ่นรสพุทธะธรรมารมณ์ต่างๆพอเรารู้ว่าใจมันหลงไปอยู่กับตรงนั้นแล้วนี่ยมันก็ละกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวะอยู่กับกายกับใจของเราเองนะนะั่นคือมันจะค่อยๆแต่ก่อนนั่นคือมันไหลไปยาวแบบนั่นแหละ ต่อไปเมื่อสติเราเร็วขึ้นน่ะเขาว่าสติมันเด่นตั้นนมตั้นนมตั้นนมตั้นนมเหมือนนั่นแต่ก่อนเราไปรู้แบบมันออกไปแล้วนะต่อไปถสติเรามีมากขึ้นมากขึ้นขึ้นเนี่ยมันรู้แบบแค่การกระทบกระทบกรนทบตากระทบลูกดูแลนะหูกระทบเสียงดูแลเป็นมูกระทบจิตดูแลนะรู้แค่ว่ามันมี กานกระทบเกิดขึ้นเนี่ยคือรู้เฉยๆั้านบอกว่าเมื่อเรารู้แค่นี้นะมันจะไม่ทันปรุงแต่งเป็นสมุนท์ต่างๆถ้าสัตว์แต่ว่ารู้นะมันจะไมีทันบอกว่าอันนี้อันนี้ดีไม่ดีสวยไม่สวยชอบไม่ชอบถ้าสันว์แต่ว่ารู้ว่ามันต้องใจมเป็นกลางแค่รู้นะไม่ได้ให้คาดว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเน่ยคือ เราปฏิบัติมากๆาพูดที่มีสติมากมากเขาเพียงแต่ว่ารู้เช่นนี้แหละนอกจากว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้น่ต้องไปเกี่ยวข้ อ, ของโดยสมมตุติก็อาศัยสมมุติมามาปรุงโดยแต่ไม่ใช่ปรุ ง, ง, รนะงด้วยมมตัรหานะแต่ปรุงด้วยอด้วยอาศัยสมมตุติเห็นรูปก็รู้ว่าเทนี้คือรูปอะไรกาา็ใช้ได้นะ เสียงอะไรจเสียงอะไร่ก็ใช้ได้นะแต่คือตอนที่ใช้เนะขาต้องเลือกที่จะใช้แต่ตอนที่นะ่ไม่จำเป็นต้องใช้ท่านก็จะรู้ตักแต่ว่ารู้แต่นี้แหละจิตมันก็เลยเนอะจิตมันก็เลยแบบมีการพักเพราะมันไม่ได้ปูนแต่งให้ให้เมื่อยให้เสียเวลานะ่นะอืคนละ้ายๆเหมือนกับเรา จิตมันรู้ว่ามันไม่จําเป็นก็เป็นทํางานในมากมายมันก็พักผ่อนนะเหมือนที่สงพ้อยชาว่านะตอนเด็กอะไรนะอ่าจิตใจอ่จิตใจพักผ่อนนะมันพักจริงๆนะปฏิบัติธรรมนะเหมือนจิตใจที่พักผ่อนอยู่ตอนบ่ายหยุดอยุดกับนะการที่ไม่ต้องทํางานอะไร เพราะว่าภาวนาจริงๆมันเหมือนรู้โดยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมันก็เลยสบายนผ่ีนใจได้พักผ่อนนะเราปฏิบัติจริงๆนะอาจจะรู้สึกว่าใจมันเบาใจมันสบายใจมันโต่ใจมันโป่งใจมันมีความสุขเพราะมันมีความรู้ในาจที่มันมันไม่ได้ทำอะไรเป็นมากกว่าแค่รู้นะ ไม่ได้ทำอะไรไ่มากกว่าัารฟังแค่แค่คอยรู้สึกนะเมื่อเกิอนนะนะดอะไรขึ้นน ะ, ะนาทางกายนะเดินยืนนั่งนอนหรือทำอะไรก็ได้การสังรณรู้สึกนะที่กายเนี่ยอย่าไปอยไปมุ่งเน้นความรู้สึกที่วัตวถุภายนอกเช่นเราเดินนะพื้นแข็งพื้นนิ่มพื้นเปียกพื้นเจ็นหรือว่าร้อน อันนั้นจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่ได้สาคัญสำคัญที่รู้สึกที่กายกระทบอย่าเช่นเดิมลมกระทบเนี่ยรู้สึกถึงการกระทบบางทีเราก็ไม่ได้เรียกว่าลแต่รู้สึกถึงการกระทบการรู้ว่ามันร้อนหรือว่ามันเย็นเนี่ยไม่ได้สำคัญนะจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้คือรายละเอียดในสิ่งที่ ที่ตายกระพบหือว่าทุกอย่างกระมานะไม่สําคัญแค่รู้ว่าตัเนี้ยตายหรือว่าใจมันจะกระนะมันกระทบกับสิ่งใดก็แค่กําหนดรู้ว่ามันมีการกระทบสิ่งนั้นแต่สิ่งที่กระทบนั้นไม่ต้องไปลงรายละเอียดบางทีเราไปลงรายละเอียดมันก็เสียเว็นบางทีมันไม่รู้เฉยมันรู้แล้วพยายามจะแยกแยก คีว่าอือเคยนักแบบกินอาหารเอาขยะแบบพิจารณามันรสอะไรบ้างเนาะแตแต่บไปแยกหรือไม่มืนมันหวานแบบไนกมกล่อแบบไหเยี่ยวแบบไหนนะมาว่าเห็นนักเค็มนะเหมือนน่้มันเหมือนจะรู้สึกแบบมาว่ามันใช่ความคเหมือนกันนะเคอืมันเป็นแบบไหนแต่ถ้ารู้สึกเฉยนะ มันจะไม่คิดอะไรหรอกมันก็เออแค่รู้นะแค่รู้เนี่ยมันจะรู้เป็นรถอะไรก็รู้ไม่รู้มันก็จบแค่นั้นนะะไม่ต้องแบบพยอย่างที่จะต้องรู้โดยละเอียดเออนี่คือถ้าตัดไปว่ารู้จริงมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามันเด่นมันอะไรสัญญามันเกิดมันทํางานมันก็รู้ได้นะมันก็รู้ได้แต่มันทีตัดไปว่ารู้เนี่ยะติที่มันรู้จริงบางที ตันในตัวตัดสัญญาตัดสัญญาตัดตังฐานนะบางทีมันเห็นแล้วมันก็คิดไม่ออกหรืองทีคิดอะไรอยู่ดีๆนะไม่ได้เรื่องงานบางทีมันก็ตัดทันทีนะมันตัดแบบชอบไปที่ๆคิดต่อไม่ออกนะต้องอาศัยว่าทั้งใจคิดหน่อยนะประมาณต้องต้องบอกกัน่เออขอคิดต่อก่อนอะ บางทีมันตัดของเองนะเอออสติบางทีก็มันก็ยังไม่เฉียงมากมันก็บางทีก็เข้าไปตัดในช่วงเวลาที่คิดนะแม้จะเรื่องการเรื่องงานนะเพราะมันก็เคยตัดในช่วงที่เราทำปฏิบัติธรรมนะบางทีก็เข้าไปตัดตรงนั้นอยู่แต่นี่คือที่จริงสำคัญใการรู้จิตในะมันทำให้จิตเราว่างนะว่างจาก ความคิดปรุงแต่งต่างๆร่างจักรสมมุติเนี่ยเจะเข้าใจเลยว่าการตัดแตว่ารู้เนี่ยมันคือปรมามะไอ้รู้อะไรต่างๆเนี่ยมันคือสมมุติที่จิตไปอาศัยสัญญาทางโลกประจํามาเรียบมาปรุงแต่งมาให้ข้าหมันยชอบหมางเนี่ยไอ้พวกนี้คือสมมุติทั้งนั้นเลนยวัตถุสมมุติ มีเยอะแยะมากมายในโลกนี well ้สมมุติว so ่าสวยสมมุติว่าดีสมมุติว่าไม่ดีสมมุติว่ารสชาติอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือวัตถุสมมุติที่โลกมันปูแตกคอเห็นนะ้วคนมันหลงกันตรงนี้เองหลงสมมติหลงสมมติจนมุดวายไปหมดจนเกิดปัญหาหมดในโลกนี้ถ้าเราเิีแค่รู้ทันนะ รู้ทันสมมุติเนี่ยสมมุตมมิปรมมุงแต่งไม่ได้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยเนียไม่มีปัญหาในโลกนี้เลยเนี่ยมันก็ได้เป็นการปฏิบัติที่ที่รั้นสั้นที่ตรงที่สุดเนี่ยภาวนาเสมอนะมันจะทาให้เราเห็นน้ว่าสมมุติบัญอย่างต่างๆเนี่ยมันสั้นลงหรือว่ามันมีค่าในจิตใจน้อยลงเนีถ้าใครยังภาวนาไปยัง ยังแบบติทในสมมุตินพิธีกรรรูปแบบนหรือว่าวัตถุภายนอกความอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ยังด้วยว่ายังไม่เข้าใจแต่ไม่แท่ว่าเราไม่รู้จากสมมตินะผู้ที่มีธรรมะก็รู้จากสมมุติแต่บางทีนก็เลือกใช้บ้างบางทีก็เลือกไม่ใช้บ้าง บางทก็ตังตการ่อนแบบไม่ใช้สมมติแต่บางคนเขาอยากมีพร้อมก็ใช้สมมุติสอนในมาท่านรู้จักสมมุติอย่างแกนแจงก็เลยเลือกใช้อย่างเหมาะสมแต่เป็นทค่ว่าต้องปูกแตู่กใจคนทุกคนนะ <c oughs> นบางทีใช้แต่ท่านไม่ได้ยึดน่ใช้แบบไม่ยึดแต่คนส่วนใหญ่เอหลงสมมุติติดสมมุติ ก็ใช้สมมุติแบบแบบยิดมติดนะเป็นยิดมติดว่าอันนี้เราว่าสวยเราคนอื่นต้องมองว่าเราสวยเหมือนเราใช่ยแมใแต่ เ, เ, เขียนไดนะ้ไหมนี่เราบางทีเรก็มองเราต้องสยมดีคนที่มองไม่สวยนึกสยมไม่ดีเนะตสยมก็เป็นเรื่องสมมุติน่ะที่เราให้ค่าแต่จริงอันนี้เราว่าอร่อย มันจำเป็นต้องให้กรดว่าอร่อยอนะเรานะั้มถ้าเราคิดอยู่นก็คือเราเป็นติดสมมุติละเราว่าแบบนี้มันอร่อยของเราก็จริงแต่เพราะเราติดสมมุติของเราแล้วเราก็ยิ่ไปบลอกอีก ว, วา่าถ้าคนอื่นาไม่อร่อยเขาไม่มีเขาไม่อะไรก็จะยมเขาไม่เหมือนเขาไม่ดีเท่าเราหรือเขาไม่เข้าใจสมมุตินี้ ที่จริงเพราไม่เข้าใจสมมุตินะ่ะก็เลยไปไปยึดติดในสมมุติไปหลงในสมมุติแต่จริงถ้าคนเข้าใจสมมุตินะเขาจะว่าดีว่าไม่ดีอะไรต่างๆเ็ารู้เลยว่าเป็นที่พูดกันเนี่ยคือเรื่องสมมุตินะรเรื่องสมมติเนี่ยไปพูดยังไงก็ได้แต่คนที่รู้เนี่ยนคนที่รู้มันต้องมีสมมตินะเขาจะว่าไงก็ ไม่เป็นไรเข้าใจนอกจากบางทีสมมุติที่ต้องใช้ในทางโลกนะั่นก็คุยกันด้วยเหตุผลด้วยอะไรก็ก็าคุยเดินไปนะแต่อแต่ก็ไม่ได้สําคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญหรอกเพราะเรื่องที่สําคัญกว่าผููที่ปฏิบัติธรรมจะยอนกลับมาดูตัวเองนะใจแบบนี้ยมันเป็นมิมันเป็นแบกไว้หรือเปล่านะในเรื่องราวต่างๆนั้นมันจะกลับมา มากลับมาดูตรงนี้เพราะว่ามันจะให้ค่าที่ที่น้ำหนักของใจใจแต่เนี้ยมันทุกไหมหรือว่าใจมันไม่ทุกเวลาเราเกี่ยวข้ององคนเกี่ยวข้องกับิ่อืนะมันจะย้อนต่อมาให้ให้ค่าให้น้ำหนักที่ว่าใจแต่เนี้ยมันเป็นยึดไปแฝงหรือเปล่านะมันทุกหรือมันไม่ทุกเวลาเราเกี่ยวข้องเวลาเราพูดแบบนี้เวลาเราคิดแบเนี้ย มันทำให้เกิดเป็นทุกข์ไหมหรือมันไม่ทุกข์นะมันไม่ใช่ไปให้ค่าที่ถูกผิดดีชั่วนะชอบทำไม่ชอบทำนะมีเหตุผลไม่มีเหตุผลคนไปหลงพวกเนี้ยนะคือหลงสมมทั้งนั้นเลยนะนะแต่ถ้าเราเป็นผู้แใช้นะถ้าเราใช่จริงมันจะไม่ทุกข์อ่มันจะไม่นะมมยึดมันจะไม่แตกใช้ได้นะถูกผิดดีชั่วเหตุผล น, นะ มันก็ใช้ได้แต่มันด้วยในแบกเพราะนะคนที่แบกเลยะไรทำไมเขาทำแบบนี้นะไม่ดีเลยนะทำแบบนี้ไม่ชอบทำเลยทำแบบนี้ไม่มีเหตุผลเลยที่จริงเหตุผล ม, มีหลายชุดมากนะ <c oughs> ไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ดีชั่วก็มีหลายสมมตมากนะแต่ละตัะาห น, านาักมางทีก็จะดีชั่วแตกต่างกันนะนะ อันนี้คือสมมติที่เราใช้แล้วเราก็หลงแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมจริงๆนะมันจะเห็นมันก็เป็นสัียงตัแต่ว่าตัดแต่ว่าสมมติเพราะที่จริงมันเด็ดตัดแตว่ารู้นะรู้เฉยๆเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องอย่างที่ถ้าเกี่ยวข้องแล้วทุกข์มันจะวางนะเกี่ยวข้องแล้วมันเกิดความยึดนยมันจะวาง ตัวที่นั่งปฏิบัติจริงนะตัวที่เราควรที่จะต้องเอามาเอามาให้น้ำหนักเอามาพิจารณาใจสิถ้าทําแบบนี้ถ้าพูดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้แล้วมันฟุกมันจะไม่อยากมันมันควรที่จะต้องหนักถ้าทําแล้วมันไม่ฟุกอันนี้ถูกแต่ไม่ใช่ว่าเราละเลยหน้ที่นะแต่การเกี่ยวข้ของแบบไหน เกี่ยวข้องแล้วมันมันไม่ยึดติดมันไม่ทุกข์นะไม่คืออีกงที่เรต้องเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยมันทุกข์นะมันยึดติดแสดงว่าเราเก <sm ell> ี видите, wiem, ่ยวข้องไม่ถูกนะไม่ใช่ว่าอาไม่ใช่ว่าไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยนะบางทีงานการเรื่องทังโลกเราก็ต้องเกี่ยวข้องแหละแต่เราเกี่ยวข้องด้วยการวางใจด้วยผิดนะมันเลยทุกข์นะต้องปรับนะต้องปับการวางใจนะว่าเรายึดติดนะเรื่อง เรื่องในหรือเปล่าอันนี้คือการแค่ว่าตัดแต่ว่ารู้เนี่ยมันใช้ทั้งการปฏิบัติธรรมโดยตัวเราเองก็ได้หรือว่าใช้ในทางโลกก็ได้นะถ้าเราตัดแต่ว่ามันก็จะจบตลงง่ายๆปฏิบัติธรรมนะเอ่พิพัฒน์ตอนนี้นะเราตัดแต่ว่ารู้ตาเห็น ก, ก, ก็แค่รู้แค่เห็น หูได้ยินก็ตัดไปว่าได้ยินกิ่นได้อจมูกได้กลิ่นก็ตัดไปว่ารับรู้กิ่ดิ้นได้รดก็ตัดไปว่ารับรู้รสกายสัมผัสก็ตัดไปว่าสัมผัสใจคิด น, นึกก็ตัดไปว่าคิด น, นึกคือตัดไปว่ารู้ที่ต้นต่อต้นทางคือต้นทางคือ กายใจนี่ค่ะไม่ได้ไปรู้ข้างนอกดังนั้นรู้ข้างนอกไม่สําคัญนะถ้ารู้ข้างนอกละเอียดมากเนี่ยแปลว่ามันเป็นหลงข้างนอกมากละแต่ใหม่ๆมันก็มักจะหลงไปก่อนเราไปกลับมาหลงไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเมื่อไรสติมันกล้าเมื่อไรสติมีกําลังมากมันจะรู้สึกเลยว่าทีหลงแบบสัก ๆ, ๆนะเออตรงนั้นบางที ไม่ทันรู้ว่าไม่ไม่รู้สึกว่าคิดอะไรแต่รู้สึกแค่ว่ามันคิดเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันอ่ามันไหลไปเป็นรูปอะไรเห็นอะไรแต่มันแค่สัดว์แต่ว่าใจมันไหลออกไปใจออกไหลออกไปทางตาทางการดูไหลออกไปทางการได้ยินไหลออกไปทางเนี่ยจมูกคางจีนทางกายแต่สิ่งที่ไหลอยู่คือไหลออกไปมันใจมันจะได้ไบ้ไดบ พตดีก so well. ินข้าวเลยนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าทานอยู่แหละแต่เมื่เห็นแล้วแอ่แอนนั่เร็มานั่งนั่งนั่นะอันี้คือสติมาเร่องเร็วนะมันก็เลยเห็นจิตที่มันใส่นั่งนั่มันจะเห็นแล้ว่าจิตคำว่าจิตมันนิ่งจริงๆนะมันนี่งมันมันยากที่จะนิ่งมากแต่เราก็ไม่แค่ฝึกให้จิตมันนิ่งนะแต่เราฝึกให้รู้ทัน จิตมันไม่ยิ่งน่แหละมันก็จะตัดมาเป็นปกติของมันเองนี่คือมันยิ่งแต่ในจริงมันก็เหมือนเราเราว่าเรานั่งนิ่งอนะด็จริงมันก็ไม่ได้นิ่งจริงๆหรอกมันยัมีการเคลื่อนไหวแต่เมื่อไรที่เราจิตมันตั้งมั่นมากขึอนเราจะเห็นอาการไหวที่มันแบบยากมันก็จะเห็นได้ก่อนเห็นได้เร็วเห็นได้ชัดนะติดที่มันไหวแบบละเอีย เป็นการปานกลางแล้วก็จะค่อยรู้เข้ามาลนะะเอียดขึ้นละเอีดขึ้นละเอีขึ้นอันนี้คือภาวนาในละเองยดขึ น, บบนี่แหละ่นะแต่จะขึ้นเข้าใจว่าความสลงมันต้องมีหลายระดับความรู้เองก็งมีหลายรนะดับแต่รู้ชัดรู้ที่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยปุนะ๊บมันเป็นสิ่งที่นะสิ่งที่เรียกว่า สี่งที่มันตรงที่สุดเนี่ยทำไมหลวงพ่เขียนถึงบอกการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันรัดเมืนสั้นมันตรงเพราะว่ามันแค่สัตว์ปรู้ไม่ต้องไปเอาสมุทอะไรมากมันตรงตรงนี้นะไม่ใช่ว่ามันรัดจนแบบต้องหลวี่าป่าลงนะรัดเข้ามาแต่มันเป็นเหมือนทางตรงเทางตรงที่มันเกี่ยวข้องกับสมุิน้อยที่สุดเอ ไม่ต้องมีบริกรรไม่ต้องหลับตาไม่ต้องนิ่งๆอะไรเนะี่ยไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรมากมายรู้ไปทุกอย่างนะที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนะรู้แบบบางทีก็ไม่ไสอนให้ไปแยกอันนี้อันนี้อดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ขุนสนอรุศลอันนี้เป็นกลางนะไม่ต้องไปแยกเยือก็เชิงได้นะแต่มันทีพูดเบื้องต้นให้คนเห็นแต่จริงสัดสินว่ารู้จริงๆนะ ไม่ได้ให้ค่าไอ้ตัวที่มันถูกรู้เลยมันจะดีไม่ดีอะไรตางเนี่ยเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยเราไม่ได้ไปให้ค่าตรงนี้มันก็เลยต ร, ตรงตรงนี้นตรงเพียงแค่แค่รู้อนะ่มันก็จบตรงนานาเลยมันเลยเป็นตัวท้าทั้นันะ้นเดินก็ตัดเลยว่ารู้รู้เนะีถ้าเรายังเห็นมันเป็นคนเป็นขาเป็นเราเป็นอะไรเนะี่ยมันก็ยังรู้ไม่ชัดแต่ตัดเลยว่ารู้ไม่เห็นนะอืม รู้สึ mm. กผันะต่านอย่ที่บอกกายกระทบนกะายกระทบสัมผัสก็สัตวแต่ว่ารู้การกระทบนะแต่ไม่ใช่ไปกำหนดไม่ไดไม่ได้ไปพูดว่เนะท้ากระทบนะมือกระทบนะแต่บนั้นเลยกำหนดคำพูดนะแต่จริงรู้เป็นปรมัดรู้เป็นอืมเป็นการผันต่างที่กระทบเฉยๆคิดก็เหมือนกัน ตัดไปว่ารู้รู้ความคิดนะรู้มีอารมณ์นะแต่ไม่ต้องมีกําหนดให้ค่าที่อารมณ์ที่ความคิดนะมนันต้องเร็วตั้งแน่สอาการภาวนามันมันรัดตั้งลงมาที่เพียงแค่แค่กายแค่ใจที่มันไปนเกี่ยวข้องกับภายนอกนะภายนอกอีเกี่ยวข้องกับเราเองไปไม่สําคัญเราสำคัญเนี้ยเราตัดไปว่ารู้แค่ว่าเหตุหรือควมแน่สี แนวทางในการปฏิบัตินะที่รัดตั้นแล้วเราก็แลก็ทําได้นะนะแม้ตอนนี้มันยังไม่ตั้นนะแต่ถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆนะสติมันมากมันจะตั้นนมะตั้นนมะนะที่ว่าภคชาติต่างๆเหมือนตั้นนมก็ตั้นตรงนี้แหลนะคือการคุงแต่งเป็นภคเป็นชาตนะิเป็นเรื่องราวนะนะนะถ้าเราคุงแต่งมากนะ บันทีก็ปงเป็นสุกปงเป็นทุกข์นะปุงเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่เยอะแยะมาหน้าคือปุงพบชา่าติเยอะแยะนะแต่เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วการปงมันก็น้อยลงนะพบชาติพบชาติมันก็ธามุน ม, มันก็จบตรงนี้ง่ายบางทีหลวงพอ่อเขาบอกว่าพระอรหันต์าานก็คือคนที่ตัดแต่ว่ารู้นันน่ะ พระอนาคามีบอกมันปรุงนิดหนึ่งแล้วก็รู้ได้เร็วพระนักิทาคามีนะมันปรุงอยู่สองขณะนะมันก็รู้พระโสดาบันมันก็ปรุงสามสี่ขณะล้วมันก็รู้แต่จีิาๆมัไม่ใช่แบบนั้นในตัวเรบแต่ท่านให้เห็นว่าพัฒนาการของจิตที่ที่มันฝึกดีนะ มันก็ตัดไปว่าดูมันก็หยุดการปรุงแต่งได้เร็วส่วนจิตที่กำลังฝึกนะที่เดินถูกทางมันก็การปรุงแต่งต่างๆมันก็สั้นลงนะมันก็สั้นลงที่พัฒนาโคพรชาติมันก็จะสั้นลงตรงนั้นแหละเนยใช้โคตรชาติในทางเกิดตายแต่อาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้นะแต่จิตที่ฝึกตัวนี้แหละมันก็จะเกิดการสภาวะตรงนี้นมันอย่างที่พูดว่า พระที่ท่านรู้เดียวที่สุดที่จริงท่านยังไม่ได้บวช น, นะแต่ในชาต์ก่อนในสมัยรเราก็ได้เจ้าองค์ก่อนท่านก็ได้บวชแล้วก็ทําความเพียรแบบยอมตายนะแล้วก็ตายจริงๆไม่บรรลุธรรมท่านขึ้นไปบนเขาอทําบันไดนะขึ้นไปบนเขากับเพื่อนพระด้วยกันกล่าวว่าพวกเราไปทําความเพียร น, น, น, นะน่ะ แล้วก็ปอกขึ้นไปบนเขาเอาใบาที่ขึ้นเขาทิ้งเลยนะเพื่อนขงท่านอ่ปฏิวัติธรรมก็ทยอยกันมบรรลุธรรมะทาะยาทบรรลุธรรมได้อภินยานออกไปบินขบาา ท, ที่ข้างล่างมาฉันจะมาให้เพื่อนที่ยังไม่บรรลุธรรมทุกคนก็ก็ประมาณว่าท่านถ้าท่า น, นจะให้ฉันอาหารท่านก็เลยต้องฉันได้วยคล้าย ด้วยตัวของตัวเองนะก็มีฉันอาหารจากของเพื่อนที่บรรลุธรรมไปหมดแล้วเพื่อนของท่านค่อยๆทยอยบรรลุธรรมแล้วก็ได้ฉันอาหารจากกันะห่อเป็นบิดาบาตวเีนะ้แต่ท่านเองเนะี่ยก็ยอมเลยนะไม่ยอมทานอาหารของเพื่อนยอมที่จะตายอยู่บนยอดเขาผู้เดียวนะแต่ก็ทําความเกียรเต็มที่นะนะมันก็มีเหตุนะะันแหะเหตุ ก่อนหนะ้านั้นท่านก็ทำเต็มที่แม้ไม่บรรลุธรรมแต่พอมาพพระพุทธเจ้าในชาติชาสุดท้ายนะก็ทําให้ท่านฟังทำก้เกี่ยวก็เข้าใจความมาเพราะท่านทําเต็มที่แล้วเหมือ น, นไล้ไายใบไม้นะมันแห้งเต็มที่และนะ้วมีลมมากระทบนิดหนึ่งมันก็ร่วงม า, มาจิตที่นะ่ยฝึกมาเอา่เตบบรียมพร้อมแต่ทําเต็มที่ เมื่อเกิดนะมันเกิดการเกิดอะไรทุกอย่างมันก็พร้อมเข้าใจการพัฒนาขเราก็เหมือนกันนะบางทีเราอยากไปประเมินว่ามันทำไมมันยังไม่รู้ทำไมมันยังไม่เปลี่ยนนะบางทีมันอยู่ในขั้นตอนที่รอให้มันนเห็นเยอะเห็นเยอะๆความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความจีดความจาง ของอรสชาตินะของเกต็ดปัญหามันค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะมันเหมือนนอใบไม้ที่มันเหี่ยวแห้งนะเมื่อเกิดการเห็นอะไรบางอย่างเกิดการพบกทบแปลงบางอย่างมันพร้อมที่จะหยุดพร้อมที่จะวางอย่าเป็นวันนั้นน่ะมันค่อยๆค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจความเห็นนี่แหละนะเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็มันก็วางได้นะเราก็ไม่ต้องไป ไปคาดคัดมันนะนั้นคือเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยมันเป็นเรื่องของการทําเหตุเม <นะ S 1> ื่อทําเหตุถูกทําปัจจัยถูกผลก็ายา่งเกิดขึ้นแน่นอนนโดยที่เราไม่ต้องไปคาดหวังคาดคันอะไระกับเหตุกับเหตุใจเราพ้จัยทําเหตุที่ถูกนในการพิจารณรู้เฉย ร, รู้สัน้นๆรู้ซื่อๆออมาที่กายที่ใจะจบเลยนะ ที่จริงมันก็เกิดผลในขณะนั้นแล้วนะแต่จะเกิดผลขนาดที่จิตเปลี่ยนมากมายอยู่นั้นมันต้องเป็นผลในการสะผลในการรู้ที่ลักษณะที่แหละนะไม่ได้เปทำอย่างอื่นไปมากกว่านั้นนะก็ปากไว้